เทียบด้วยรู้อัฏฐะรู้ธรรมะเมื่อมีผู้แสดงธรรมที่ประตถาคตรประกาศแล้ว 8- รู้ทางคือวิถีเทียบด้วยรู้จักอริยมรรคมีองค์แดตามเป็นจริงมีความเห็นชอบเป็นต้น 9- ฉลาดในโคจรคือทำเลที่โคควรเที่ยวไปเทียบด้วยรู้จักสติปทานสคือการตั้งสติสอย่าง